กันประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทางหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อ น, นี้ไปขอท่านทางหลายได้โปรดสนับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานสําหรับในวันนี้จะขอแนะนําในเรื่องอสุภกรรมฐาน คำว่าศพแปลว่าไม่งามคือว่าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงสําหรับอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นสิบอย่างด้วยกันแต่ท้ว่าสำหรับวิธีปฏิบัติไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแยกออกเป็นสิบอย่าง ตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัตรริรวบตอนทีเดียวเราะว่าตามหลักวิชาที่ศึกษานั่นอย่างหนึง่งเวลาปฏิบัติจริงๆนั้นก็ทํากันอย่างหนึง่งสําหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญถ้าหากว่าท่านพูดใดทรงอารมณ์ใจในด้านอสุภกรรมฐานถึงฌานสี่ แล้วก็ใช้วิปัสสนาอย่างควบคู่กันไปปัจจัยที่จะพึงได้หรือว่าผลที่จะพึงได้อย่างเร็วที่สุดอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะเข้าถึงพระนาคามีหรือพระระหันทันทีฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดหมดหนึ่ง แต่ต้องว่าสำหรับประสุภกรรมฐานนี้จะเหมา ะ, ะเฉพาะสําหรับท่านที่มีจิตในราคะจริตเท่านั้นนี่ว่ากระทั่งเบื้องต้น่ะว่าการจะเริ่มใช้ในเบื้องต้นนั้นเหมาะสําหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคะจริตแต่ต้ว่าจริตของคนเหล่านี้ของมรนดาท่านนักศึกษาทั้งหลาย โรดทราบว่าคนเรานี้มีจริตจริงๆครบหกอย่างแต่ว่าอะไรจะพึงมาหาเราก่อนเท่า น, นั้นหรือว่าอะไรจะนําหน้าขอให้พิจารณาอารมของเราเันหนึ่งราคาจริตอารมณ์ที่มีการรักสวยรักงามสําหรับราคาจริตนี้จะไปเหมาเขาหาว่าเป็นผู้มากๆในการมคุณไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นการมักมากในกรารมาคุณแต่ว่ามีอารมณ์ชอบสวยชอบงามชอบสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทำอะไรทุกอย่างก็มีระเบียบต้องเรียบต้องร้อยต้องสะอาดไปหมดแม้แต่สีสันมณนะก็เลือกสีอย่างนั้นเหมาะสีอย่างนี้ไม่เหมาะลักษณะอย่างนี้เหมาะลักษณะอย่างนี้ไม่เหมาะ แม้แต่ของที่จะกกินเข้าไปก็ต้องประดับประดาทํำมันสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ทําให้งามไม่ทําให้สวยก็กินได้ไอทําให้สวยให้ทํามันงาม่ะทําให้เนื้อของของมันเสียไปแต่ถ้าว่าคนพวกนี้เว้นไม่ได้ต้องให้มันสวยสดงดงามอยู่ตามปกติอย่างคนไม้ที่จะกกินแล้วก็แกะสลักเป็นแบบนน้นแกะสลักเป็นแบบนี้น ถ้าเป็นนักเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็เขาจะหาเสียของเปล่ามันเสียเนื้อของผลที่เพิ่งกินเข้าไปแต่ว่ากาลังใจของคนที่อยู่ตั้งอยู่ในลักษณะราคาจิตจะต้องทำไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจแม้แต่ของในบ้านห้องนอนห้องที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปกติ ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเขาราคาจริตจะดูคนก็ต้องดูผิวดูสวดทรง <c oughs> แม้จะของใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันของดีมีค่าเสมอกันแต่รูปสวยไม่เท่ากันไม่เอาต้องเอาของสวยอันนนลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเขาราคาจริต ผมคิดว่าอารมณ์อย่างนี้ย่อมมีกันในจิตของคนทุกคนที่บริการแหน่งโทสะจริตอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธสําหรับโทสะจริตจริงๆที่เราต้องนําก็มีาการอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ได้ว่าคนใดที่ยังไม่ถึงพระนาคามีไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเป็นอันว่าโทสะจริตก็มีกันในคนทุกคนเหมือนกันสําหรับโมหจริต กระวิโตกจริตไปรมซึมที่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนตัดสินใจไม่ได้ขาดและมีความโง่ผสมบางทีก็ติดตัดสินใจรวดเร็วแต่ถ้าว่าไม่เรียบร้อยขาดการไข้โค่นขาันขาดการใช้ปัญญาไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก การจะเข้าไปหาคนการจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งทิ่งใดอาการเวลาเป็นเรื่องสาคัญการพิจารณาใครโครนเสียก่อนเป็นของสาคัญพระพุทธเจ้าตัดว่านิสสัมมะกระนังเสยโยใครโครนเสียก่อนแล้วยิงทำดีกว่าถ้าทำแล้วไม่ใช่สมองคิดพิจารณาถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษแต่ความจริงบางทีเราจะทำดี แต่ไม่ถูกกับการละเทสะมันก็เลยดีไปเหมือนกันลักษณะอย่างนี้เป็นาการของโมหะจริตกวิตตกจริแตาการอย่างนี้ผมก็ว่ามีแต่คนทุกคนเหมือนกันแต่มันเลือกเวลาสำหรับศรัทธายริตเมียรมเชื่อง่ายใครเขาอะไใค ร, รูอะไรก็เชื่อ <c oughs> เห็นดีไปกับเขาโดยทุกอย่าง โดยไร้ปัญญาพิจรารณาสำหรับคนที่ถูกหลอกถูกหลวงก็โดยมากหนักบนในราคาจริตให้ขอโทษศรัทธาจริตบางท่านก็หนักในโลภะจริตแต่ว่าอาศัยที่โลภะมันคลอบใจมากครับผู้ทีนเรีอกทรย์สินก็เลยเชื่อจัดเป็นศรัทธาจริตเป็นอันว่าอาการอย่างนี้ก็มีกับเราทุกคนในอาการบางขณะ นัเจริตที่หกก็ได้แก่พุทธาจริตเป็นอารมณ์ของคนฉลาดมีความปลอดโปรง่งมีความปลอดปาดเปลืองรู้เท่าทันคนตามสภาวการรู้เท่าเหตุการณ์ในกรณีต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดจำง่ายเข้าใจเร็วผมก็ว่าการอย่างนี้ก็มีกับคนทุกคนในบางขณะเหมือนกัน <c oughs> ดันั้นรวมความกันแล้วใจถกประการเราก็ต้องศึกษาใ น, นการจเจริญพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนําพระกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบอย่างให้เป็นกรรมฐานยาพาะกิดถึงสิบถึงสามสิบอย่างเป็นกรรมฐานกางถึสิอย่างกรรมฐานยาพากกิดก็ในแก่ราคาจิต ราคาจริตนี้แทให้ใช่ใช้อาศุปกรรมฐานสิบอย่างกับกายคตานุสติหนึ่งอย่างเป็นสิบเอ็ดอย่างสำหรับโทสาจริตให้ใช่พรมิหารสี่กับกระสินสี่สำหรับกระสินสี่ก็ได้กระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวพรมีฐารสี่กับสินสี่รวมเป็นแปดอย่างสำหรับมูหาจริตกับวิตกจริต ให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวสำหรับศรัทธาจริตให้ใช้อนุสติหกคือพุทธานุสติธรมมานุสติสังกานุสติศีลานุสติจานุสติและทิวตานุสติสำหรับ พุทธเจริตให้ใช้อาหารใปริกูลสัญญาจตุธาภันสีมรณานุสติกรรมัฏฐานก็อุปสมานุสติกรมมฐานรวมเป็นสามสิบอาา ย, าาย่างให้เลือกใช้เอาตามปัญยาใสสำหรับกรมมัฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปทวีกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินอากายกสินอาโลกสิน และ อ, รอ า, า, า, ารมณ์สี่คืออาการนัญจายตนะวิญญาณันจายตนะอนากิจัญญายาตนะเนวสัญ ญ, ญาณาสัญญายาตนะรวมเป็นสิบเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจพอขอขัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการเจริญพระกรรมฐานาานักศึกษาพระกรรมฐานท่านมัตต์ปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้ อ, รอารมณ์ใจของตัวเอง ไม่ใช่ไปถามชาว บ, บ้านถ้าขณะใดาจิตใจของเรามีความรักโสวยรักงามน้อมไปในราคะจริตเราก็ใช่อารมณ์อสุปสัญญะเขินในอสุปกรรมฐานหรือว่ากายะตาณสติเอามาหักล้างอารมณ์อย่างนั้นหาความจริงให้พบถ้าอารมณ์ข้าเรามีความโกรธปิ้วเฉียวฉุน ลายเป็นคนมีอารมณ์โหดร้ายในขณะบางขณะเมื่อรู้สึกตัวเข้ามาก็ใช้พ ม, มีหานสีหรือว่ากระสินสีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเพรื่องหักร้างถ้าอารมณ์ใจไม่โง่ต้องถือว่าอารมณ์โง่ตัดสินใจไม่ตกหลงขาดปัญญาพิจรารณาคาดก า, ายคัดกรวนอันนี้พันธหลายต้องจำให้ดี การที่คนเราทําหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตําหนิตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกจรกิตกิกริตกิจิตต้องความโง่เป็นสําคัญขาดกายไข้โควงกายการพิจรารณาไม่ได้ดูการเวลาวเวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทําทหรือไม่ หรือบางทีจะไปหาใครก็ไม่ได้พิจารณาว่าท่านผู้นั้นบ้างหรือทําอะไรอยู่ทูดพลาดเข้าไปรายงานทเหตุการณ์หรือว่าต้องการผลที่เราจะจึงทํางานที่เขากําลังทําอยู่มันก็จะเสียอย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจแจกถ้อยคำหรือจริยาที่ไม่ น, าน่าไม่เราไม่คิดว่าจะพบแต่ต้องโทษตัวเราเองเป็นสําคัญ ที่ไม่เชื่อพระพุะทธเจ้าพุทธเจ้าสอนแล้ววันนิ้สำมะกระนังสยโยใ ค, ยคยร่ครวไแล้วจิงทมเวลาที่เราจะทำเราจะพูดจะคิดใช้ปัญญาพิจรารณาเสียก่อนว่าการนี้มันควรหรือไม่ควรนี่เป็นเรื่องใหญ่อาศัยความโง่อย่างนี้ ย่าไส้ใจที่มีอารมณ์หยาบองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนําให้จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ละเอียดการรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าหาว่าจิตใจของเรารู้ลมให้ใจเข้าออกอยู่เป็นปกติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาด สำหรับคนที่มีความเชื่อง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดาทรงแนะนําให้แช่โนสติหกอาการคือพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สังคานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ สีลานุสตินึกถึงความดีความสุขในการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์จาคานุสตินึกผลยิความสุขในใหนการให้ทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์แทนที่เราจะไปเชื่ออย่าง อ, างอื่นก็กลับมาเชื่ออนุสติหกประการผลใหญ่ก็จะคงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติหกประการนี้ถ้าใครมีครบทน จิตใจเข้าถึงหม่ของโคนนั่นก็เป็นประสนากับสหิทาคารู้สึกว่าเป็นไม่ยากสำหรับท่านที่มีความเฉลาดในพุทธานุสติโองสมเด็จพระบรมโลกานาถให้ใช้มรณานุสติกรมฐานหรือว่าหารยปฏิคูรัญญาจาตุธาตุฐานสี่อยปสมานุสติกรมฐานสุนดขตาอารมณ์ นี่เป็นอันว่าเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของเราเองเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าถ้าเรามีราคะจริตเป็นเบื้องหน้าความรักสวยรักงามย่อมมี ก, กันทุกคนเราก็จะใช่แต่อสุภกรรมฐานกับกายยะตาโนสติไม่ใช่อะไรอื่นเสียเลยก็ใช้ไม่ได้จิตเราเว้นจากความโกรธได้แล้วหรือยังจิตจะเราเว้นจากความโง่ได้แล้วหรือยัง ถ้าจิตใจเราเว้นจากการเชื่อง่ายไร้ปัญญาแล้วหรือยังบางคราวจิตใจเราอาจจะฉลายกรได้ฉะนั้นอารมณ์ใจของเราเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นใช้กรรมฐานให้มันถูกต้องตามอารมณ์อย่าถือเห็นตรงอย่างเดียวให้จิตมีความรักเป็นเบื้องหน้าถูกแล้วเราใช้อสุภกรรมฐานแล้วก็จะทำอนุสติ ถ้าเราว่าถ้าบุญวาสนาบารมีของเราทรงตัวดีก็เป็นนัลหันเป็นเลยถ้าเรายั ง, งโง่อยู่มันก็ต้องใช้กรรมฐานที่ประจำกับใจทุกอย่างในเมื่ออารมณ์ในนั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสำนักของเราความจริงถ้าคนเก่าๆฟังอยู่ไม่ควรจะมีอะไรต้องสงสัยถ้ารักดี ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในสัญญต์สิบรายการเป็นเรื่องที่จะต้องจำเอาจิตเข้าแวดสนใจให้มากแต่ถ้าว่ายังมีบางคนไม่เข้าใจแจะยังมีพระบางท่านที่ยังไม่มีความสรวในจริยายังมีอยู่ นี่สแสดงว่าครบความเลวไวมากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ยวนะฟังแล้วก็ใช้จำาันีจะพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนงงบกจงใช้หัวแม่เท้าจำไว้เสียบ้างนี่ความจริงฟังแล้วก็คิดในการที่จะได้ฟังอย่างนี้แต่มันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ฟังกันทั้งวันทั้งคืนเจจิตยังเลวอยู่จริยายังเลวอยู่อารม์ยังเลวอยู่อันนี้ก็เลยหาความดีไม่ได้กันฉะนั้นขอท่านบางท่านจะมาอยู่ใหม่มาอยู่เก่าไม่สำคัญจงทำตัวให้มันถูกกับระเบียบเสียว่าเดี๋ยวจะต้องแหกพรรษากัาน เป็นอนุว่าการศึกษาพระกรรมฐานวันนี้แต่ความจริงเรื่องสำหรับสุขาวิปัสสโกคิดว่าจะไม่พูดเรื่องจริตหกแต่มันก็มีความจำเป็นเพราะมิฉะนั้นก็จะพบว่าความโง่ของจิตแต่ว่าการพิจนานรณาลุนแล้วฟังกันอยู่เสมอ ฟังกันตั้งหลายเวลาอาจจะกลายเป็นฟังเป็นพิธีไปกลับไปพบอารมณ์ความโง่ของคนข้าให้มันน่าสลดใจในความชั่วของจิตที่ไม่ใชเปัญญาจะไม่ใช้ความคิดไม่ใช่การพิจรารณาอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเกิดจะอีนานนะมั้งไ้เกิดในมนุษย์นี่ยมันก็ยังดี ที่พระอริยเจ้าท่านว่ามันเร็วผมก็ยังดีดีก็เกิดในอบายภูมิถ้าหากว่าฟังกันอย่างนี้จิตใจยังเร็วอยู่แล้วก็ต้องเกิดในอบายภูมิอีกหลายแสนกลับจำไม่ดีดีนะเลาวันนี้เลยไม่ต้องพูดกันสิเรื่องสุภกรรมฐานมีเวลาอยู่บ้างของสมควร ดีงนั้นการใช้าอารมณ์พระกรรมฐ า, านเกี่ยวกับจริตท่านให้ดูว่าจิตใจข้าเรามีจริตหนักมาทางด้านไหนถ้าหนักเป็นในราคะจริตก็ใช้อสุภกรรมฐ า, านหรือ ว, ว่ากายยตงคาตาสติเข้าประหัตประหารทันทีถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเศร้าลงไปมันสลดหนองก็ไปไล่จับถึงแม้วันจะไม่สลุดนอก็ตาม แลวบางบางขณะไอ้อสุเให้ความรักสวรังามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิฆาตจองร่างจองผ่านคึิ้งก็ใช้กรรมาฐานที่เหมาะสมคือว่าถ้ามีอาหารสี่หรือว่ากระสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ใช่ไม่เ ห, หมาะใช้มันให้เป็นเสียทุกทั้งหมดตหรับตาํารามีเทพมีนังซื้อมีฟังก็ฟัง ใน่าที่ก็ลืมฟังกันมากจริงๆแต่ก็ยังลืมอยู่ยังโง่กันอยู่นี่มันแย่ก็ขอพูดอสุภกรรมฐานสักแปดนาทีเวลามันเหลือเท่านั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนี้อาสุภระฟังให้ดีนะคำว่าอาสุกแปลว่าไม่สวยไม่งาม แต่คนที่ไม่ควรเจริญสุขกรรมฐานมีอยู่พกหนึ่งและก็ควรจะใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ทีหลังใช้ในเ ม, มื่ออารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบา้างใช้ทีหลังคือใช้ปัญญาพิจรารณาไม่ต้องเข้าไปหาสุขนั่นก็นคือพวกที่เป็นนิสิตดวงจมูกแล้วพวกที่เป็นโรค ทางด้านทองทางด้านททาน ท, ท, ทางด้านทางเดินของอาหารที่ได้แก่โรคกระเพาะอาหารที่ท้องอืดหยุดเสมอพวกนี้ไม่ควรเข้าไปยืนใกล้อสุบหรือว่าศพที่เขาตายแล้วมีกินเนา่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายแต่ได้ว่าจะใช่อารมณ์นี้ได้ในเมื่อใช้กรรมฐานอย่างอื่นเป็นฌาน ใช้จิตพิจรารณาเฉยๆเพระาะว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานปัญญาไม่เกิดเป็นเอาเรื่องแนะนำกันขอผ่านไปหมดเวลาไปตั้งเยอะ เ, เหลือเวลาหกนาทีตอนนี้ก็มาขอแนะนำกันเสกเล็กน้อยว่าการพิจรารณาสุปกรรมฐานพิจรารณาตอนไหนตอนคนตายสัตว์ตาย คนเขาตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวั น, ส, วนสี่วันห้าวันที่นี้ไม่ต้อที่บายกันวันหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงสองวันสามวันมีลักษณะเป็นยังไงจนทั่งขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุกนึก็มีกายสมลงจนทั่งเหลือแต่หนังหุง้มกระดูกหนังหายไปหรือเส้นเอ็นหุ้มกระดูกเส้นเอ็นหายไปเลอจะกป็นดูก อย่างนี้เรียกกันว่าสุปกรรมฐานเฉพาะในร่างของคนจะว่าถ้าการพิจารณาจริงๆเขาไม่พิจารณาแต่คนไม่พิจารณาแต่สัตว์พิจารณาทิ้งแม้แต่ว่าวัตถุต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งามแต่ว่านั่นเป็นอารมณ์ละเอียดมีว่ากันเป็นอารมณ์หยาบเสีก่อน นี่การเจริญสุเปกามถานจริงๆจรงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าคนดีในสมัยหลังคนดีที่เขาทำกันถ้ามักจะพยายามหาศพคือคนตายหรือว่าสัตว์ตายได้แล้วมันยิ่งเน่าเท่าไรก็ยิ่งดีหาทางไปพิจารณาไปยืนดูพิจารณาดู ด้วยการที่น้ำเหลืองไหลด้วยการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพิ่เจรณาดูว่าขณะที่เขามีลมปราณอยู่ท่าทีร่างกายเป็นยังไงพอสิ้นลมเป็นปกป๊บเดียวร่างกายที่อบอุ่นก็เย็นชืดเพระาะธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไปตอนนี้คนที่รักกันเกือบตายก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็เริ่มกลัว กลัวอะไรกลัวสุขภพไอ้คำว่ากลัวผีหลอกแต่ไอ้ผีเผลอมันไม่มีเพราเรียกว่ากลัวกลัวการสิ้นลมกลัวกลัวร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณคือว่าสภาพเดิมความอบอุ่นความนิ่มนวลมันหมดไปนี่แล้วก็เริ่มเกลียดแย้มกลัวเมื่อมีชีวิตจิตใจอยู่รักกันเกือบตายพอตายนิดเดียวเขาหากันไม่ได้ นั่นเป็นพ่ออะไรเป็นเพราะมันไม่น่ารักมันหมดที่จะรักซะแล้วจุดที่รักจริงๆความจริงควงจริงไอ้เมื่อขณะรักกันจริงๆมันต้องการเนื้อต้องการหนังแต่ถ้าว่าพอสิ้นลมปราณไปหน่อยเดียวจิตออกจากระ่างไอ้เนื้อนหนังที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องการพ่ออะไรเพราะสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็นการเย็นชื้น ต่อมาเนื้อหนังถลอกบอกเบิกํำเหลืองไหลลิ้นจุกตาปนปิ่นเหมือนฟวกเปรียดใหญ่คนนี้เขาใคลไม่ได้เรื่องนี้จะเก็บไปพูดในวันหลัง่ยพูดในลักษณะของการยืนพิจารณาศพก่อนการพิจารณยืนพิจารณาศพนี่ต้องมีความฉลาด องสมเด็จพระเบรมนโลกก็ น, น่าทรงแนะนำไปอย่างนี้ว่าจงอย่ายืนท้ายลมถ้ายืนท้ายลมในกลิ่นเหม็นมันจะเข้าจมูกเข้าปากมันจะเกิดโทษเพราะว่าปลิ่นเหม็นจะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคในจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความละเอียดพอเนื้อกรจงอย่าลืนยืนเหนือลม ยืนเหนือลมจริงๆไอ้ปินมันก็หวนกลับเข้าไปหาตัวได้แล้วก็จงอย่ายืนตรงเพื่อลักษณะร่างกายยะให้มันตรงซากศพเกินไปเพราะจะขวางทางขอาอมนุษย์เมียสุรกายเป็นต้นที่ต้องการเข้ามากินซากศพถ้าขวางจะเข้าจะไปแกล้งเรามันก็อยู่เหมือนกันท่านให้ยืนด้านเหนือลมแต่ยืนเฉียง ไม่ใช่ตรงศพเาเวลาที่ลมพัดมามันจะพากลิ่นเลยออกไปกลิ่นเหมือนจะไม่กระทบเรามากเกินไปแต่แม่บ้าศพเนี่ยคุณเลยพอก็เปิดลงพับกลิ่นพุ่ขึ้นมาเขาจะโมกเกือบช็อกบางทีเกือบอาเจียนอย่างนี้ผมก็โดนมาแล้วนะ ถ้าว่านี่เป็นลักษณะาการพิจารณาศพว่าการจะเข้าไปพิจารณาศพก็ต้องทํากันแบบนี้จําไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจำนะไมใช้แบบโง่ไม่ใช่จาแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืนดูศพจริงๆยืนให้ลมบ้างยืนเหือลมบ้างยืนตรงศพ บ, บ้างไอ้อย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษอสาหรับวันนี้ก็ได้กันแค่นี้แหละ ทั้นี้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไปเจอโง่เขาพท่าที่ไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้วื่อนั่งนึกในใจว่าโอนอหน้าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไรอารมณ์ที่ว่ากันนึกอาหัสหัต่ผลเนี่ยพูดก็ไม่รู้ว่ากี่รอบ ฟังเทพที่บันทึกไว้ก็เป็นไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่มีปัญญาเพียงเครื่องพิจรารณากันอันนี้น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าหากว่าการศึกษายอย่างสมัยก่อนไม่ได้ฟังกันอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันเลยถ้าเราสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะบรรดาท่านทั้งหลายทรงกําลังใจที่เคยปฏิบัติมา จะต้องการพิจารณาและภาวนาอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจริงกว่าว่าเห็นเวลานั้นบัตถ์จะจงจะถึงเวลาที่่านเห็นว่าสมควรกว่าท่านจะเลิกสวด